นะว่าวันนี้จะมีการทอดกระถินนะที่วัดปาสุกโตคุงนี้ก็จะทอดกระถินนะที่วัดป่ามหาวันผู้หลงเมื่อวานนี้ก็ทอดไปแล้วนะวัดภูเขาทองท่ามาไฟหวานนะพิธทีทอดกรถินนะเป็นพิธีที่มีมาช้านานแล้ว เป็นพิธีทางศาสนาที่เรียกว่ามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ว่ารูปร่างหน้าต า, าคงจะไม่เหมือนกันทีเดียวนักนะอันนี้ก็เป็นการอกทอดกริมนแบบไทยๆนะแต่ว่าก็เป็นเป็นงานเทศกาลที่ผู้คน มีส่วนร่วมกันเยอะนะเรียกว่าทั้งชุมชนก็ได้เป็นทั้งงานบุญแล้วก็เป็นงานรื่นเริงน ะ, ะเป็นงานเลี้ยงไปในตัวเนี่ยอย่างที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยนะนะก็มีร้านค้ามีโรงทานนะมายี่สิบกว่าโรงนะก็รู้แล้วแต่มาบำเพ็ญทานน ะ, นะะก็บรรยากาศก็เป็นทั้งงานบุญแล้วก็ งานเลี้ยงน ะ, ะพิธีทางศาสนาที่สืบทอดมาแต่โบราณเนี่ยอันนี้ก็มีไม่มากนะนอกจากทอดกริ่นแล้วก็ออกพรรษาเข้าพรรษานี่แหละแม้แต่พิธีเวียนเทียนวันมาค้าวิสาขะอาสาหานี่ก็เป็นของใหม่นะ รู้สึกว่าวิสาขานี่ก็มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองนะมาค้าก็รัชกาลที่4อาส า, า, ารหานี่ก็รัชกาลที่เนะหลายคนจะไม่รู้ว่านี่เป็นของที่เพิ่งมีขึ้นหรืออาจจะเรียกว่าลื้อฟื้นขึ้นมาก็ได้ลนะแต่หายไปนานแต่ว่ากระทินนี่นะมีมานานทีเดียว วิธีทอดกระถินน ะ, ะจนมุ่งหมายเนี่ยนะก็คือเพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุนะที่มีจีวรเก่าคล่ำคร่าสมัยก่อนเนี่ยพระเราจีวรเนี่ยจะได้มาเนี่ยก็ต้องไปเก็บเอาจากผ้าที่ใช้ห่อศพนะผ้าหอ่อศพเพราะว่าสมัยก่อนนผพานี่หายาก ผ้าห่อศพเนี่ยก็เป็นผ้าที่ไม่สะอาดนะผ้าเปื้อนฝุ่นเพราว่าผ้าเปื้อนฝุ่นเนี่ยภาษาบาลีก็คือบางสกุลนะบางสกุลที่ให้ให้พระเนี่ยไปรับผ้าบางสกุลเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยในงานศพเนี่ยจริงๆเนี่ยนะมันมีที่มาจากการที่พระเนี่ยไปไปดึงไปเก็บผ้าจากศพนะ ตามป่าช้าก็ได้มานิดๆหน่อยๆนะแล้วก็มามารวบรวมกันแล้วก็มาเย็บนะมาตัดมาเย็บแล้วก็มาย้อมนะกว่าจะได้ผ้าผืนหนึ่งเป็นจีวรก็ยากนะแล้วก็ผ้าเราก็มีต้องมีจีวรต้องมีสังฆาติต้องมีสบงนะกว่าจะได้ครบตาจีวร น, นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเพราะในถิ่นที่มีโดยหรือสำนักที่มีพระเยอะนะญาติโยมน้อยเนี่ยจีวรก็จะขาดแคลนมากพระเจ้าก็เลยอนุญาตให้พระเนี่ยรับจีวรจากญาติโยมได้เป็นผ้าที่เป็นผืนเลยนะและภายหลังก็อนุอนุญาตให้มีให้รับผ้านะ ที่อันเป็นที่มาของภ้ากรถินนะแต่ผ้ากรถินนี่ไม่ใช่ว่าจะถวายเจาะจงกับผ้ารูปใดรูปหนึ่งนะครัถ้าถวายจอดจงกับผ้ารูปใดรูปหนึ่งเราไม่เรียกว่าภ้ากรถินนะผ้ากรถินเนี่ยจะเป็นผ้าที่ถวายกับสงนะแล้วสงก็ตัดสินว่าจะมอบให้กับผ้ารูปใด น, นะซึ่งก็ มีเงื่อนไขหลายอย่างเช่นมีจีวรที่เก่าแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีศีล า, ารวาบันงดงามนะเพื่อเฟือพระวินัยนะอันนี้ก็จะได้รับผ้าเนี่ยได้รับแล้วนี่ไม่ใช่ว่าได้ทันทีนะเพราะว่าสมัยก่อนผ้าเนี่ยมันเป็นผืนเดียวก็ต้องไป ไปตัดนะไปเย็บไปย้อมให้เป็นจีวร น, นะให้มีขันน่ยนะผ้าเนี่ยจีวรผ้าเนี่ยของพระต้องเป็นขันห้าขันบง้งเจ็ขันบง้งเก้าขันบง้งคือเป็นตารางตารางคล้ายคขันนาเนี่ยอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันทั้งวัดเลยก็เลยเกิดธทำเนียมขึ้นมาคือว่าร่วมกัน สางสมัคคีกันโดยสางานกรถินนี่แหละนะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสื่อนะแต่งานกรินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานของพระอย่างเดียวนะก็เป็นงานของโยมด้วยแล้วงานของฝ่ายโยมนี่ก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่นะเป็นการที่กระตุ้นความสมัคคีของโยมเหมือนกันโดยเพราะกระถิ่นที่เราจุลากรถินนะจุลากระินเนี่ยนะ แต่ว่ากระถุกถิลเล็กนะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ต้องใช้ความเพียรพยายามมากนะเพราะว่าจะต้องเริ่มต้นจากการที่ไปเก็บฝ้ายมาเก็บฝ้ายมามาทำเป็นได้นะนะมาปั่นได้แล้วเอาได้นี่มาทอเป็นผ้าลองนึกดูนะเนี่ยนะกว่าจะได้ได้มาแต่ละเส้นแต่ละเส้นนี่ก็ไม่ใช่ง่ายแล้วก็ต้องมามาทอให้เป็นผ้าพื้นหนึ่งนะให้เสร็จนะภายในวันเดียว เพราะฉะนั้นต้องร่วมแรงร่วมใจกันมากทีเดียวต้องช่วยกันแล้วชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเลยใช้ความเพียรพยายามมากอันที่สองนี่มากกว่ามหากรถินอีกนะอันที่สองเนี่ยเพราะว่าต้องใช้ความเพียรพยายามเยอะแต่ทําไมถึงเรียกว่าจุลกรถินนะเพราะว่าเป็นกรถินที่มีแค่ผ้านะส่วนมหากรินเนี่ยนะ เรียกเช่นนั้นก็เพราะว่ามีบริวารเยอะนะบริวารก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะอาจจะเป็นข้าวของเครื่องใช้เป็นบริขารสําหรับพระบ้างหรือเป็นประโยชน์กับชุมชนบ้างเรียกามาหากถินเพราะว่ามีบริวารเยอะแต่ว่าอานิสงส์นี่สู้จุลกถินไม่ได้เพราะจุลกถินเนี่ยอย่างที่บอกนะต้องใช้ความเพียรพยายามมากแล้วต้องอาศัยความร่วมแรงรงวมใจกันสูงนะเก็บฝ้ายมาม า, มาปั่นเป็นได้แล้วก็ทอให้เป็น เป็นผืนเนี่ยภายในวันเดียวแต่สมัยก่อนเนี่ยนะหรือตามพวินัยเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือผ้านะประธานเนี่ยนะของงานกระถิ่นก็คือผ้าที่เหลือเรียกว่าบริวาร น, นะรวมทั้งเงินด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้เงินเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่นะกลายเป็นเครื่องวัดนะว่า วันนั้นวันนี้เนี่ยมีศรัทธา ญ, ญาติโยมแค่ไหนหลายวัดนะที่ได้ได้เงินนั้นได้ปัจจัยน้อยก็มีความไม่สบายใจที่จริงไม่ถูกนะเพราะว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ผ้าแล้วก็ผ้าเป็นเสือ้อเกิดความสามัคคีกันถ้ามีความสามัคคีกันในหมู่พระมีความสามัคคีกันในหมู่โยมถึงแม้ว่าจะได้แค่ผ้าผืนเดียว ถือว่าถึงแม้จะมีเงินแค่ไม่กี่ร้อยไม่กี่พันนะก็ถือว่าสำเร็จตามจุดมุ่งหมายนะของพิธีกรรมหรือเทศกาลนี้แล้วญาติโยมก็อย่าไปเสียใจนะเกิดว่าเออเป็นเจ้าภาพกระถิ่นแล้วได้เงินน้อยนะอย่าไปเสียใจเพราะว่าความสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินนะอยู่ที่ความสามัคคี นะอยู่ที่ความร่วมมือนะแต่คราวนี้เนี่ยญาติโยมเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพหลายคนก็จะมีความทุกข์นะถ้าเกิดว่าได้เงินน้อยก็เพราะว่ากระถินเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยทอดได้ครั้งเดียวนะไม่เหมือนสังกทานสังกทานนี่ทอดได้ตลอดปีแต่กรถิ่นนี่ทอดได้ครั้งเดียวแล้วก็จํากัดเวลาด้วยก็คือ30วันหลังออกพรรษาไปสิ้นสุดเอา วันลอยกระทงเพราะฉะนี้ <c oughs> เมื่อทําทั้งทีก็ญาติโยมที่มีจิศตศรถถัทธาก็อยากจะาหาเงิน <c oughs> หาเงินมาถวายเยอะๆนะเพราะว่าถ้าหากว่าตัวเองแล้วเป็นเจ้าภาพแล้วก็หมายความว่าคนอื่นเป็นเจ้าภาพไม่ได้บางคนก็อาจจะมีฐานะมากดีกว่านะแต่ว่าพอเขาไม่ได้เป็นเจ้าภาพ โอกาสที่วัดจะได้ปัจจัยนะมาบำรุงศา ส, สนาวัตถุศา ส, สนาสถานก็น้อยนะแต่นี่ก็อย่าไปสนใจเลยนะอย่าไปอย่าไปห่วงกังวลเพราะอย่างที่บอกนะสิ่งสาคัญไม่ใช่ที่เงินนะจะไปอวดจะไปแข่งกันว่าวัดนี้ได้เงินเยอะเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะได้เงินเยอะแต่ว่าวัดไม่มีความสามัคคีภายในหมู่สงฆ์ญนะาติโยมก็ไม่ได้สามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้ก็ เรไม่ถูกพวกเราหลายก็จะสังเกตนะว่าเวลามีท่อกรถินเนี่ยนะก็จะมีการติดธงนะธงก็จะเป็นรูปจระเข้บ้างเป็นรูปนางมัทฉาบ้างนางมัทฉาคือนางเงืกอก น, นะอันนี้ก็เอาเป็นเกิดไว้หน่อยก็ดีนะที่มีเป็นมีธงจระเข้เนี่ยก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยาการ ท่อกระถินเขาก็สัญจรกันทางน้ำนะก็คือต้องพายเรือไม่ได้นั่งรถนะสมัยก่อนไม่มีรถอยู่แล้วเนี่ยการจราจรหรือสัญจรที่สุดที่สุดก็คือพายเรือและเรือเนี่ยในน้ำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะมันก็จะมีพวกสัตว์ร้ายมีจรเนะเข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรือที่พาองกระถินมาเนี่ยนะ ก็จะมีการติดธงจระเข้นะค ล, Tail คล้ายๆเป็นการป่าประกาศบอกสัตว์ทั้งหลายในในน้าว่าให้ร่วมมาดูมทนาบุญกุศลด้วยเป็นการบอกกล่าวไปยังจระเข้ในน้ําว่าให้ว่ามาทําบุญร่วมกันนะอย่าได้มารบกวนอย่าได้มารังควานกันอันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงนะถึงมีธงจระเข้ติดมากับองค์กรถินอีเหตุผลหนึงคือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาเดินทางเนี่ย เดินทางกลางคืนก็อาศัยดาวจระเข้หรือดาวกระบวย y ตักน้ำเนี่ยนะดาวกระบวยนี่มันจะขึ้นมาหรือดาวจระเข้จะขึ้นมาก็ตอนสว่างสว่างก็เป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตหมายว่าเออ geography. ให้เดินทางได้ถูกเวลาคณะกฐินะ listener, จะมาก็อาศัยดาวจระเข้เหมือนกันนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเดินทางจะเดินทางด้วยเรือหรือว่าด้วยทางเท้าก็ต้องอาศัยดาวเนี่ยเป็นเครื่องกําหนด มาถึงวัดก็รุ่งเช้าพอดีก็าสายดาวจราเข้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดธทำเนียว่าติดดาววาติดธงจราเข้นะมากับองค์กรถินถ้าว่าเป็นเป็นการเริ่มนะเป็นนิมิตหมายนิมิตหมายของอการเดินทางเพื่อมาทอดกรถินนะอันนี้ก็เป็นคําอธิบายนะแต่ความหมายความหมายหนึ่งนะก็คือว่า จระเขเนี่ยมันหมายถึงกิเลสที่ชื่อว่าความโลภนะส่วนนั้นมัชฉาเนี่ยนะเป็นตัวแทนข อ, ของกิเลสที่เรียกว่ความหลงนะนอกจากจาระเขนอกจากหนังมัชฉาแล้วเนี่ยก็ยังมีมีปลาอีกนะมีตะขาบตะขามนี่ก็เป็นตัวแทนของความโกรธนะมันมีพิษร้ายความโกรธนี่มันเหมือนจะพิษร้ายนะ ในใจเฉยมันมีทั้งตกขาบมีจระเข้มีทั้งนาา้ำมัชฌาเนี่ยก็เป็นตัวแทนของโลกโกรธหลงแต่ว่าก็จะแพ้จะแพ้เต่านะเต่าเนี่ยมาถึงสตินะกระดองของเต่าเนี่ยนะมันเป็นเครื่องรักษาให้เต่าเนี่ยปลอดภัยสติก็เหมือนกันนะสติก็คุ้มครองจิตนะถ้ามีสติคุ้มครองจิตก็เหมือนกับเต่าที่มีกระดองนะคอยคุ้มครองจากอันตราย อีกอย่างก็คือว่าเต่าเนี่ยนะมันหดหดหัวนะหดแขนหดขาได้นะก็เหมือนกับว่าสติเนี่ยสติเนี่ยนะถ้าเรามีสติเราก็จะสํารวมกายนะสํารวมตาสํารวมหูสํารวมจมูกนะแล้วก็ลิ้นกายใจสติเนี่ยนะมันทำให้เกิดความสํารวมนะไม่ใช้ตา ไปในทางที่ก่อความทุกข์นะบางทีอาต้องปิดหูปิดตาบ้างหรื อ, อเปรียบเหมือนกับเต่าก็คือนะกดกดหัวเข้าไปในกระดองน ะ, ะถ้าเราเอาใจเลยนะมีสติเป็นเครื่องรักษานี่ก็จะปลอดภัยให้ตัวโลกกว็หลงนะจระเข้ก็ดีนะตะขาบก็ดีนางมัชชาก็ดีก็มาก่อความทุกข์ให้กับจิตใจไม่ได้นะ อันนี้เราก็ให้เรารู้ความหมายนะเพราะมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เราจะได้เข้าใจว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยของกรถินเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ ง, งานบุญนะแต่ว่ามีคติธรรมสอนใจเรามากมายน ะ, ะแล้วก็เตรียมรับพรได้อิชิตังปฏิตังตุมหังคออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเยปาเมวาสามาโตจงสำเร็จโดยชาพร สาเพปูเรนตุสังกป่าขอความดำรีทั้งพวงจงเต็มที่กันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันาร์ในวันเพนมานิโชติราโสยธาเหมือนแกมณีอันสว่างสวัยควรดินดีสาพีติโอวิวาชนตุผ่านอาจายทั้งพวงจงบำราดไปสาภโรโควินาสตุ โรทั้งปวดขอนทั้งจงหายมาเตพาวันตารายโยพันตรายามีแก่ท่านสุขีทีอายุโกฮาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนพาพิวัฒนศีลิสนิจางุฏาปจายโนจะตตารธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังคลัง ดามสี่ประการคืออายุวันนาสุขพะพละพรเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิเอาวตุสัพะมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านคราขันตุสาพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพาภูธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธรรมานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพาสังภานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาสุธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่ตนเมื่อ